จเจิญพรถูกท่านเมื่อวันอาทิตย์ตรงพ่อเพิ่งจะมาเทศแถวนี้นะไกลๆกันนีกแต่วัอนอาทิตย์วันหยุดงานก็คนเยอะเลยวันนี้คนจะมาฟังก็ต้องแลกเวนบ้างแลกงานบ้างเมื่อคนก็หนีงานนะใครหนีงานมายกหมุดซีมีไหมสาธุดีไหมเนี่ย ไหนๆก็นนีงานมาแล้วนะตั้งใจฟังเอาธรรมะ ก, กลับไปจะได้เป็นพนักงานที่ดีขององค์กรมีศีลมีธรรมเป็นพลเมืองก็พลเมืองดีเป็นสามีาพัญญาก็สามีพัญญาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดี มีธรรมะสอย่างนะสบายมีความสุขนั้นพระพุทธเจ้าท่านสั่งภาษาโบสถ์ให้สาวโบกออกไปประกาศธรรมะงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจํานวนมากท่านสอนอย่างนั้นจะเป็นหน้าที่งั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เราได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขประโยชน์มีมากนะประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันเลยอย่างแค่เรามีสีนความน่าเชื่อถือของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างถ้าเราจะทำธุรกิจกับพวกไม่มีสีนนนไม่ไม่น่าไว้ใจแค่มีสีนก็เครดิตดีแล้วมีประโยชน์ในปัจจุบันคนอื่นก็ทุกกันแทบตาย เราทุกนิดหน่อยคนอื่นาทุกนานเราทุกสั้นๆเนี่ยเรามีชีวิตที่มีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายได้เพราะเพราะธรรมะมีประโยชน์ในอนาคตหลวงพ่อเมื่อก่อนเคยเห็นครูบาอาจารย์ผู้เท่าอายุตั้ง8ปดิปี90สปีร้อยปีร้อยกว่าปีก็มีแต่ละองค์แต่ละองค์ที่เข้าไปเห็นได้กลับได้ไหว ดท่านมีความสุขแล้วก็นึกในใจนะว่าเราต้องตามท่านให้ได้มีความสุขเหมือนท่านได้คนแก่ในโลกก็เยอะแต่ว่าดูไม่มีความสุขเยียบเหงามีชี ว, วิตว้าวมีชีวิตแบบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็สูญเสียผู้คลองเหลืออยู่คนเดียวลูกเต้าก็สูญเสียไปก็ไปอยู่ที่อื่นหมดนี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 ของใจที่มันได้มาผลนิพพานเป็นลำดับลำดับไปโสดาสกตาคาอนาคาพระรหัาหารหนเมื่อก่อนเรานนึกนะว่ามันมีสีขั้นถ้าได้ขั้นที่หนึ่งก็คงล้างกิเลสยี้เเมีความสุขเพิ่มขึ้น 25% อร์เมันไม่ได้เป็นบัญญัติใจยางขนาดนั้นถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจ เห็นรูปนำกายใจไม่ใช่เราได้เป็นพระโสดาบันมันมีความสุขที่แปลกๆนะมันเป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นในใจมันมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าอนาคตรเราต้องดีกว่านี้ในวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์แน่นอนเพระพรพุทธเจ้ารับรองไว้อย่างคนในโลกนี้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 พวกเราอย่างไม่มีธรรม ะ, ะเราอยากได้ความมั่นคงเราก็ซื้อประกันถ้าประกันไม่เจ๊งซะ ก, ก่อนเราตายก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้เงินอยู่ดีวพวกที่ประกันไว้นะคนอื่นได้ตัวยงไม่ได้หรอกอยากได้ความมั่นคงบาคนก็อยากมีครอบครัวเพ้ชีวิตจะได้มั่นคงอยากมีลูกจะได้มั่นคงไม่รู้หรอกว่ามันไม่มั่นคง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 จะแก่จะเจ็บจะตายจะพลัดพลาดจากคนที่รักจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีอะไรพวกนี้ในรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาใจไม่หวั่นไหวยิ่งได้ธรรมะสูงขึ้นสูงขึ้นอาศจรยร์ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังตอนทำลายวัตตะลงไปบอกน้ำตาท่วง่งเลยมันมีความสุข ความสุขนาดนี้ก็มีด้วยเหรอในโลกนี้ธรรมะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเคยรู้สึกอู่กับโลกเคยรู้สึกนะทุกปางตายตอนใจเข้าถึงทำทำลายพัฒ ต, ตะลงไปมันสุปปางตายมันไม่ใช่ทุกปางตายเนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนงานธรรมะของพระพุทธเจ้านะให้ประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันให้ประโยชน์ในอนาคต ให้ประโยชน์อย่างยิ่งคือพันิพาณงี้นเรารู้ว่าเป็นของดีของมีประโยชน์นะแล้วก็นขนไกวเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจเราให้ได้ถึงธรรมะไมไ่อยู่ในตูนะ้ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อหลวงปู่อะไรทั้งสินนะ้นเอาธรรมะไว้ในใจเราให้ได้วิธีการต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ อยากได้ของดีก็ต้องอดทนนิดนึง่งตามกรรมฐานไปถนัดอนัปปนสติก็ใช้อนัปปนสติไปจะทำให้เป็นถนัดพุดโทโธถนัดดูท้องพองยุบถนัดเคลื่อนไหวทําจังหวะถนัดเดินโจงกลมหรือถนัดดูเวทนาหรือถนัดดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลอะไรก็ได้นะเอาสักอย่างนึงอย่าเอาหลายอย่าง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 ตอนหนีเอาตัวรอดได้นะศัตรูไปแล้วมันก็สงบสุขของมันอย่างเดิมหายอยู่หากินไปไม่คิดมากถ้าเป็นเราเราต้องคิดใช่ยว่าเมื่อไหร่มันจะมาอีกแล้วเนี่ยกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้ะศัตรูจะมาเมื่อไหร่สมมตเราเป็นนกแนละ้ว ใ, ใจมันจะกังวลลุ่งหน้าทุกคนเนี้ยว่าเก่งนะคนเหนือกว่าสัตว์แต่หลวงพ่อสังเกตนะสัตว์มันอยู่กับปัจจุบันมากกว่าคน คนชอบไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไปใจก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงคิดถึงอดีตที่มีความสุขก็เสียดายคิดถึงอดีตที่มีความทุกข์ก็ขับแค้นคิดถึงอนาคตก็ฝันไปถ้ารู้สึกอนาคตไม่ดีก็กังวลรู้สึกว่าอนาคตจะดีก็ฝันเฟื่องจริงไหมจริงก็เป็นอีกเรื่องนั้นมันไม่อยู่กับปัจจุบันคิดมากปะทุกมากกังวลมาก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 มีความเป็นจริงระวางแผนทํางานอะไรเงี้ยต้องทําำถ้าคนไหนเป็นคนคิดมากก็ใช้กรรมฐานดูจิตเอาเห็นนะเดี๋ยวจิตก็ทุกข์ขึ้นมากลุ่มใจหงุดหงิดในจิตก็สบายในจิตก็เครียดในจิตก็สบายดูมอยู่แค่นี้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรแค่นี้ก็พอเหลือเฟือละพวกเราใครเครียดบ่อยบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิ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 ให้มันจริงเห้ออย่าคีโมเนี่ย ถ, <ว>ถ้าเราเป็นคนคิดมากนะใจเรามันก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายน ะ, นะโมลันใช้คําดีนะคุ้มดีคุ้มร้ายมันดีขึ้นมากก็รู้นะมันร้ายขึ้นมากก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยทากรรมฐานไว้ใช่อะไรยากเย็ยนนักหนาหรอกนะอย่าไปคิดมากเรื่องง่ายๆกรรมฐาน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 หาใจเข้าพักเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกหรือเรานั่งอยู่นั่งอยู่ก็ทุกข์เดี๋ยวก็ต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินยืนมากเดินมากนั่งมากก็ทุกข์อีกก็นอนนอนก็ทุกข์อีกนอนนานๆก็ทุกข์นะอย่างคนเป็นอนมภาะามีความทุกข์นี่เรารู้สึกอยู่ในร่างกายเราเห็นมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารู้สึกไป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 เป็นอยู่ตลอดทุกวันนี่หัดดูไปนะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากดูเหมือนดูคนอื่นวิธีดูกายดูยังไงดูง่ายๆนะลองหลับตาสีหลับตารู้สึกไหมกาลังหลับตาอยู่เห็นไหมร่างกายหลับตาเองพยักหน้าสีเห็นไมร่างกายพยักหน้านแค่รู้สึกเอาะลองยิ้มสยิ้มหวานหวานยิ้ม เห็นไหมร่างกายยิ้มเ mm hmm. นี่ยการดูกายนะดูอย่างเนี้ยไม่ใช่ดูอะไรพิลึกพิลั่นเลยส่วนใหญ่เพิกคิดถึงกรรมฐานที่ไร น, นะก็จะทําอะไรแปลกๆคิดถึงกําหนดลมหายใจธรามา น, านุสติจะเพ่งลมหายใจนะบังคับการหายใจของตัวเองจะดูท้องของยุบ ก, ก็บังคับต้องผองอย่างนี้ต้องยกอย่างนี้จะเดินก็บังคับมีแต่เรื่องบังคับไปหมดเลย คิดถึงการทํากรรมฐานที่ไรก็ต้องเริ่มบังคับกายบังคับใจงันะนักปฏิบัติเนี่ยมันจะตกไปสู่อตัตตาขิลบัฏฐานุโยกสุดตงไปข้างบังคับตัวเองตลอดเวลาที่เราไม่ต้องบังคับมันเรายิ้มหวานหวานนะรู้สึกเมืร่างกายยิ้มนะยิ้มหวานหวานลองยกมือนะอยิาไทิ่มไข่เข้ายกมือขยับแล้วรู้สึกไหมรู้สึกแค่รู้สึกรู้สึกสบายสบาย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 เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าจิตเป็นคนไปรู้เนี่ยอย่างเราไปยักหน้าเนี่ยวัตถมุมันเคลื่อนไหวไหร่างกายมันเคลื่อนไหวรูปมันเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรนู้แล้วก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าวร่างกายกับจิตใจมันโครานกันพอร่างกายกับจิตใจเป็นโครานันไม่ใช่อันเดียวกันมันจะรู้สึกขึ้นมาอีกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า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 ใครประสบสิ่งที่ไม่รักเขาใจนี่แหละเป็นคนประสบแต่สิ่งที่ไม่รักร่างกายประสบสิ่งที่ไม่รักไหมร่างกายไม่มีรักมีเกลียด่ร่างกายนี่ไม่เคยเกลียดใครไม่เคยรักใครที่รักที่เกลียดอยู่ที่ใจยิ่งร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายได้นะแต่ใจเนี่ยเป็นคนพลัดพลาดจากสิ่งที่รักเป็นคนเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นคนที่สมหวังผิดหวัง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 เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นมากับจิตนั่นแหละเวลาเราโลภขึ้นมาคนที่ภาวนาไม่เป็นก็เห็นว่าเราโลภหรือโกรธก็เราโกรธถ้าภาวนาเป็นนมันจะเห็นว่าความโลภกับจิตคนละอันไม่ใช่เราโลภแล้วคราวนี้ความโกรธกับจิตก็คนละอันไม่ใช่เราโกรธแล้วอยากค่อยๆแยกออกแยกจิตก็ไม่ใช่ยากอะไรอย่างเมื่อกี้สอนแยกกายแล้วใช่ไหมจำได้ไหมแยกกาย เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปซ้อมไปเรื่อยๆหรือหายใจเห็นร่างกายหายใจใชจเราเป็นคนรู้สึกเป็นคนดูหลวงพ่อชอบใช้คําว่ารู้สึกเอาเนี่ยจะตรงความเข้มข้นของการรับรู้เนี่ยจะพอดีพอดีครับบอกให้ไปดูให้ไปเห็นนะจะจ้องเอาแค่รู้สึกแค่รู้สึกนีรู้สึกในร่างกายนี่ถ้าจะรู้สึกในจิตทําไงค่อยรู้เวลาความรู้สึกมันเปลี่ยน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 ดูกายกับดูจิตจะไม่เหมือนกันดูกายดูได้เลยดูเด็ดอย่างนี้เลยเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ดูจิตดูใจนะ่ยต้องให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยๆรู้เอาโกรธแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภหลงแล้วรู้ว่าหลงฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่แล้วรู้ว่าหดหู่นี่ยดูตามหลังไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นเลความรอบความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ไม่ใช่ตัวเรา เป็นส o, ิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นอย่างเวลามันโกรธขึ้นมานะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปดับโกรธขึ้นมาก็เห็นว่ามันโกรธใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโกรธกับใจน่เป็นโคราลันกันใจที่เป็นคนดูกับความโกรธโคราลันกันพอมราเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเห็นว่าความโกรธมันมาได้แล้วมันก็ไปเองมันมาเองไปเองเนี่ยเราจะดูใจเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นในความรู้สึกทั้งหลายนะ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 เห็นพระเดินมาคนหนึ่งปรับรื้มใจโอ้ศาสนายังไม่สูญยังมีพระออกมาบินธบาตจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลตามองเห็นจิตเป็นกุศลอีกคนนึ่งเห็นพระบินธบาตพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้ถึงเป็นพระจริงก็เลวไม่รู้จักธรรมหากินมาขอเขาจิตอาฆุศลตามองเห็นนะแต่จิตมันไปแปลกค่านะเป็นกุศลบ้างเป็นอาฆุศลบ้างก็แล้วแต่คน ถ้าจิตมันแปลออกมาเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลเช่นเห็นแล้วเกิดศรัทธารู้ว่ามีศรัทธานะเห็นแล้วเกิดลังเลสงสัย้พระจริงหรือพระปลอมหรือเห็นแล้วเกิดโทสะทําไมมาเดินเกกะนะคนที่จะไปทํางานพระทําไมมาเดินแต่เช้าเกกะอ้าวพระาต้องบินถวัตตอนเช้าอ่ะขืนพระไปบินถวัตตอนเย็นมันก็ด่าอีกแล้วเนาะเ <laughs> นี่ยตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์นะ เป็นกุศลขึ้นมาให้รู้เป็นอกุศล ข, ขึ้นมาให้รู้แต่อย่าไปรอดูดูจิตนะยห้ามรอดูนะจนกว่าหลับตาอยู่เดี๋ยวจะลืมตาล้วดูซิถ้าลืมหันมาทางนี้ถ้าลืมขึ้นมาแล้วเห็นคนคนหนึ่งหรือหลายคนะใจจะรู้สึกยังไงนะเอาลืมนะคอยจ้องอยู่ว่าใจจะรู้สึกไงลืมตาดูใจจะเฉยเฉยอย่าดูจิต ด, ด้วยวิธีนี้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไปตามธรรมชาตินะ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 สนาน ด, ดูจิตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนีจิตใจเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลแฝงขึ้นแฝงลงแล้วก็ดูใจเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้รู้เพื่ออะไรบางคนมาบอกหลวงพ่อเมื่อวานนี้มีคนส่งงันบ้านว่าภาวนามาตั้งนานเดียวไม่หายโกรธเลยพราว่าภาวนาผิดเนอไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนอะไรนะม้วนชั่วไปอ้างกับใครเขาหนาว่าเรียนกับหลวงพ่อเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้มันโกรธนะ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 ทำยังไงจะไม่โกรธนะก็ต้องกระทบอารมณ์ที่พอใจอย่างเดียวอย่าไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้ากระทบอารมณ์ไม่พอใจเดี๋ยวก็โกรธจนได้เลือกได้ไหมอารมณ์ลืมตาขึ้นมาแล้วเลือกได้ไหมว่าจะเห็นรูปอะไรนะก็เลือกไม่ได้นะแล้วแต่วิบากนะแล้วแต่เวรแต่กรรมทํากรรมดีมานะก็เห็นของสวยของงามของดีทําอกุศลให้ผลมาก็เห็นของไม่สวยไม่งาม อยาเราขับรถไปนะรถชนกันรู้สึกว่าชนหนักคงจะมีคนตายเลเทะกลางถนนอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่จะจะแอบดูกลัวนะแต่อยากดูใครเป็นบ้างเวลารถชนนะชํำเลือดด้วยความวาดเสียวดูคนมันไม่มีอัุค u ศนะรถชนกันน่าจะตายเยอะดูไปไม่เห็นศพเลยเห็นแต่รถอีกคนหนึ่งไม่อยากดูเบื่อนหน้ามาทัวนี้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 ดันั้นจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ห้ามมันให้ ร, รู้สึกไปสบายสบา ย, บายดูจิตดูใจไปกิเลสกามีทั้งสามตัวโรคปลดหลงดูตัวเดียวก็พอสาหรับคนคนหนึ่งนะไม่ต้องดูทั้งหมดหรอกดูตัวเดียวก็พอคนไนขี้โมโหเราก็ดูไปทั้งวันนี้มีแต่ใจโมโหกับใจไม่โมโห คนไหนขี้โรค ก, ก็ดูไปทั้งวันมีแต่ใจโลค ก, กับใจไม่โลคคนไหนฟุ้งซ่านเก่งก็ดูไปมีแต่ฟุ้งซ่านกับไม่ฟุ้งซ่านนะดูแค่นี้ดูคู่เดียวก็พอแล้วเอาให้ได้คู่หนึ่งนะแล้วตัวอื่นมันรู้เองมันจะรู้แบบเดียวกันเพราะฉนี้โกรธก็ดูไปเนี่ยอาโกรธอีกแล้วโกรธแล้วรู้หายโกรธแล้วรู้รู้สึกขี้โลค ก, ก็เอาโรคเรารู้หายโรคเรารู้ฝึกไปอย่างเนี้ย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 สมาธิลิชานบางอย่างนะทําให้มีปัญญาได้เล็กลักขนุปนปัญชานใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นรูปธรรมแสดงไตรักเห็นนามธรรมแสดงไตรักนี้ปัญญาเกิดฉะ้นพวกเราพยายามนะอดทนเท่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรรู้สึกในร่างกายได้ก็รู้สึกเอารู้สึกในใจได้ก็รู้สึกเอาแล้วแต่ความถนัดแต่คนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนคิดมากนะแล้วก็ผัสสารุนแรงอย่างเรานั่งรถมา การบินไทยที่เนี่ยผ่านมอเตอร์เวย์ผ่านอะไรมานะ่คัดเอาเนี่ยเต็มเลยนะข้างทางอะ่นะเกจกาเต็มไปหมดเลยล้นแต่ชวนให้เราโลภอยากได้น่นอยากได้นี่นะนี่ประเทศนี้ก็น่าไปเที่ยวนี่ชิงชงมีนนี้อะไรนะอะไรตอนอะไรโอ้ยนี่น่าเที่ยวจังหวัดนี้ก็น่าเที่ยวนะสินค้าตัวนี้ก็น่าซื้ออะไรเนะี่ยนั่งรถมานะมันจะยากอะไรอะ่ะ เห็นเราใจมันอยากได้รู้ว่าอยากอยากไปเที่ยวรู้ว่าอยากรู้ทันไปเลยเห็นป้ายสมัยก่อนเนียสมัยการเมืองย่ำแย่มีแต่ป้ายนักการเมืองเห็นไหมจําได้ไหมริมถนนนัเต็มไปด้วยป้ายนักการเมืองกระทรวงนี้จะทำงานอย่างนี้ก็ต้องมีรูปรัฐธมนตรีให้เราดูทำไมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกระทบเข้ามาเราเลือกไม่ได้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 ชอบพระชินราชก็พุโทโธพุโทโธไปคิดถึงพระชินราชอนะไรเงี้ยแค่นี้ใจก็มีความสุขมีความสงบมีสมาธิขึ้นมาแล้วเป็นวิธีทำสมาธนะิหรือเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอนะไรเนี่ยจิตใจเรามีความสุขนะจิตใจเรามีความสุขใจก็สงบนะได้สมาธิขึ้นมาง่ายง่ายหรือเราไปทําความดีมาไปบริจาคโลหิตไปทําบุญทำทานอะไรมานะเรานึกถึงนะ ถ้าเราได้ทําต่อเนื่องสักช่วงหนึ่งพอนึกถึงแล้วมันจะอิ่มอกหิมใจอย่างบางคนบริจาคโลหิตมา10ครั้งอะไรเนี้ยยี่สิบครั้งพอนึกถึงแนละ้วมันอิ่มใจมีความสุขนี่ก็ได้สมาธินะได้สมาธิคิดถึงฐานที่เราทําแล้วหรือเรารักษาศีลเรารักษาศีลต่อเนื่องได้สักสองเดือนสมเดือนอะไรเนี้ยพอเราคิดถึงนะจะมีความสุข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 แต่เดิมเราเป็นคนดีพอนาพักเดียวเรารู้ว่าร้ายจะตายเรารู้ความจริงแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยโอยฉั้นดีชั้นดีจริงไม่ดีอะไรเลยนะแต่ก่อนเนี้ยความทุกข์ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอย่างนี้ความทุกข์มากก็เห็นว่าก้อนนั้นนั่ะเดี๋ยวก็ไปใจมันเปลี่ยนใจมันอิสระื่อนใจมันสบายขึ้นค่อยๆฝึกไม่ได้ยากเลยทําอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะถือศีลหา้ายืนพื้นไว้ก่อน ถ้าคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปขนาดไหนก็เอานันนะ่นแหละในเวลาเดือนสองเดือนสามเดือนเราจะเป็นคนใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่เลยอันนี้ไม่ได้พูดโมเมนะหลวงพ่อไปเทสที่นู่นที่นี่เรื่อยๆเห็นบางทีนั่งรถไปก็เห็นเดินอยู่ข้างถนนรู้เลยว่าฝั่งซีดีฝั่งซีดีหลวงพ่อประโมทแน่เลยหน้าตาแบบเนี้ยมันโง่เฮงเหงมันให้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 ดูเราใครสวยบ้างหวานเนะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าบางทีเราพาวนาไปนะักคนเขาอยากเข้าใกล้เรานะแล้ว เ, เขาเข้ามาเราเขาอบ อ, อุ่นเขามีความสุขอย่างเงี้ยนั้นเราพัฒนาใจของเราไว้นะพัฒนาให้ใจมันดีได้ประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบันเลยประโยชน์สารพัดเลยนะการคลังการดํำรงชีวิตทําธุรกิจยังได้เลยอย่างเราจะทําธุรกิจจะลงทุนจะอะไรเนี่ยนะ เราพอนาเป็นเนี่ยมันไม่มีอคติในการมองปัญหาถ้านะมีอคติมันประมาณการผิดพลาดง่ายเนะีนะ่ยค่อยๆฝึกนะประโยชน์ถัดไปก็คือประโยชน์ในอนาคตประโยชน์อย่างยิ่งก็คือได้มากรถิพานนะก็คุ้มค่าแล้วที่ได้เป็นชาวพุทธนะดังฝึกนะไปฝึกเข้าถือศี่ห้าไว้แล้วก็รู้สึกการู้สึกใจเรื่อยๆไปเอาละพอสมควรแก่เวลา รนำน้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะรมปฏิบัติดย ด, ดูล่างกายเคลื่อนไหวคะ่ะแล้วใจก็ถ้าใจหลงแล้วก็รู้ใจหนแล้วก็รู้คือเวลาติดมีปัญหาอะไรนะคะก็เปิดยูทูะคะ่ะก็ส่วนใหญ่จะได้คำตอบทุกครั้งคะเปิดยูทูปอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วงหลังๆปฏิบัตินี้จนเห็นทุกะคะ่ะอะไรนะเห็นทุกคะ่ะเออเห็นทุก เห็นทุกข์แล้วก็มาพิจารณาตาหูจมูกยิ้นกายใจจะมีความรู้สึกว่ามันทุกข์มากะคะ่ะแล้วใจมันดินด้นดิ้นลิ้นมากเลยะค่ะตรงที่เราเห็นทุกข์นะเรียกว่าเรารู้สภาวะแล้แต่ขณะที่รู้สภาวะเนี่ยจิตยังมีความยินร้ายอยู่จิตไม่เป็นกลางนะ<ไ>ดูออกไหมจิตไม่ชอบทุกข์ปัญหาของโยมเนี่ยก็คือเห็นสภาวะแล้ว ไม่ใช่ปัญหาหน้านั้นดีแต่เห็นสภาวะแล้วจิตไม่เป็นกลางกับสภาวะนะัน้นให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบทุกข์เลยเวลาเห็นทุกข์ใจมันไม่ชอบดูตัวนี้นะถ้าตัวนี้ผ่านก็คือเราเห็นทุกข์ด้วยจิตที่เป็นกลางใจที่เป็นกลางนั้นจะดีมากแต่ที่ทําอยู่นี้ก็ดีแล้วล่ะสังเก ต, ตไหมกายกับใจมันคุณละอันกันเห็นไหมความรู้สึกกับใจก็คุณละอนเนี่ยขันมันแยกนะ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 มากราบหลวงพ่อแล้วก็มามให้หลวงพ่อชี้แนะว่าที่ทําอยู่นี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ทําอยู่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะถ้าใจเรามีโมโหขึ้นมานะโกรธเก่งไหมเก่งค่ะโอนะหน้าตาให้แใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนะนเห็นไหมมันโกรธได้เองดูไปเรื่อยน่าจะเห็นว่าเออมันโกรธเองมันหายเองไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องแก้นะค่ะแค่เห็นว่าโกรธแล้วหายแล้วโกรธแล้วหายแล้วเนี่ยฝึกไปอย่างนี้ แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแล้วก็จะปฏิบัติยังไงคะถึงจะถูกกับจริตนะคะถูกแล้วล่ะเราขี้โมโหเราช่างคิดนะเจ้าคิดเจ้าแขนเราดูเขาไปตรงๆเลยโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธน ะ, ะไม่ยากอะไรหรอกเป็นคนมีบุญคนขี่โมโหนะ่ะมีบุญนะ ว่าเป็นกรรมฐานที่ดูง่ายที่สุดเลยโทสะเนี่ยในนํามาทําทั้งหลายนะโทสะดูง่ายถ้าเป็นพวกใจเฉยเฉยเฉยเฉยโอ้พวกนี้ดูยากมันเฉยทั้งปีเลยคนชมมันก็เฉยคนด่ามันก็เฉยมองเห็นอะไรมันก็เฉยเฉยไม่หมดนะพวกนี้ภาวนาลําบากการมุสการครับหลวพ่อ ผมฟังสวีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณสามสี่ปีแล้วครับ mm hmm. แล้วเพิ่งจะปฏิบัติจริงๆมาเมื่อสองปีที่แล้ว mm hmm. ก็คือตอนนี้คือผมอาศัยทำที่หลวงพ่อบอกครับเริ่มต้นจากไหว้พระสวดมนต์ก่อน mm hmm. จากนั้นก็ทํานาทาในรูปแบบ mm hmm. โดยอาศัยลมหายใจเป็นวิหารธรรมเริ่มต้นเมื่อปฏิบัติมันจะมีความสุขชวยขึ้นมาหลังจากนั้นจะมีความคิดโผลขึ้นมา จากนั้นผมก็ดูความคิดที่โผล่ขึ้นเมื่อรู้ทันปุ๊บมันจะมีความสุขโผล่ขึ้นมาอีกอจากนั้นผมก็ดูความสุขที่โผล่ขึ้นมามแล้วเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันคองเรส่วนกันเดี๋ยวบางครั้งมันก็ดูที่ลมหายใจเดี๋ยวบางครัง้งก็ดูที่ความคิดอืแล้วมันมีหลายสภาวะครับผู้อาจารย์ <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยผมอาศัยการพิจารณาเสียงแล้วมันเห็นนะครับว่า เสียงที่เราได้ยินอยู่เนี้ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีคนสัตว์สิ่งของอมเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วเหมือนว่าจิตมันจะรวมลงไปครับพระอาจารย์แต่สักพักหนึ่งมันก็มีความคิดโผล่ขึ้นมาอีก อ, อย่างเนี้คยครับผมทําถูกไหมครับอาจารย์ถูกแล้วล่ะห้ามมันไม่ได้นะครับเราก็ไม่ได้ฝึกว่าห้ามคิดด้วยครับนะแต่ว่าเห็นใจมันคิดได้เองครับแต่เวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดอนะันนั้นต้องตั้งใจคิดนะเออ บางคนมาหัดกรรมฐานแล้วถึงเวลาทํางานไม่ยอมคิดอะไรเลยเองนันไม่ดีอาจารย์ให้รู้นัดที่นี่เป็นอีกปัญหาหนึงครับอาจารย์ผมอยากเรียนถามคือว่าตอนนี้ผมทํางานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยครับ ม, มันไม่ยอมอยู่กับงานมันชกแวอกออไปอย่างเงี้ยครับที่หลวงพ่อบอกก็คือเรื่องนี้แหละนะต้องใส่ใจลงไปสนใจลงไปอย่นี้คือทําสมถะเลยใช่ไหมครับอาจารย์เอาองานเป็นอารมณ์เลยเ<อ>ใช่อางานเป็นอารมณ์สติอยู่กับงานสมาธิอยู่กับงานปัญญาอยู่กับงาน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 มีปัสโนตัวที่จะเจอก็คือมันแฝงในธรรมะระวังเนี่ยครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยครับอาจารย์นั่นแหละระวังไว้แล้วผมก็อให้มันรู้ว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยมันไปเแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีความคิดเกิดขึ้นใช่มันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นครับรู้ทันมันก็ไปเลยครนะมันแก่จากจิตเนี่ยสมาธิไม่พอจิตมันไม่ถึงฐานถ้าจิตเคลื่อนออกจากฐานนะวิปัสสนูตัวนี้จะเอาเราไปกินเลยให้รู้ทันว่าจิตไหลออกไปแล้ว เา้ารู้ทำแล้วจิตไหลจิตจะตั้งมั่นเข้าที่นะมันจะหายไปหมดเลยแล้วอย่าขนาดนี้มันหายไปรู้สึกไหมไม่งั้นมันจะกระโจนไปเลยนะไประวังตัวนี้นะการละเว้นกรารหลพ่อค่ะคือตื่นเต้นคือนึกเหมือนกันว่าจะส่งกันบ้านอะไรดีเพราะว่ามันเห็นสภาวะเอยอะมากเลยค่ะคือทำทางมีศาสนา คือทำทาในรูปแบบแต่ไม่รู้ว่ามันคือวิปัสสนาหรือเปล่าออคือก็คือนั่งขัดสมาทีเงี้ยค่ะแล้วก็หลับตาออหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงีเออ้ยมันก็เห็นความคิด เ, ออเห็นเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆความคิด น, ออนี้น ไปทำต่ออันนี้ก็คือวิปสัสสนาใช่ไหมนก็จะเห็นมันผุดขึ้นมาได้เอง ผ, <ช>ผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปผุดขึ้นมาแล้วหายไปใช่ค่ะมันเป็นเองถ้าดูอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วก็บางครั้งว่าอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนพอเราไปเจออะไรที่เราไม่ที่ที่เราหเหมือนกระทบอารมณ์เราอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความความความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยะคะแต่บางครั้งว่าพอเราเห็นความความโกรธอย่างเงี้ยบางครั้งมันแบ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 โกรธโกรธรู้ว่าโกรธแล้วมันก็ไม่หายสักทีก็เลยไปดูว่าเฮ้ยมันไม่พอใจอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ชอบ เ, ออเลยอถ้าจะเห็นตัวนั้นได้มันก็หายก็เลยตอนหลังๆก็เลยเวลาลืมตาแล้วอยู่ในชีวิตประวันนะคะก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้คิดแล้วว่ามันคือโกรธคือโลภคือหลงคืออะไรก็ดูแค่ว่าชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆค่อยๆคลายค่อยๆคลายอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้แต่คอยรู้สึกในร่างกายด้วยนะดูแต่ใจอย่างเดียวไม่พอ เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันทางานเหมือนเห็นคนอื่นนะเอากายมาช่วยนิดนึงคือคือคือใจหนูฟุ้งเก่งฟุ้งเก่งเนี่ยไปดูจิตอย่างเดียวนียดูไม่ไหวบางทีนะมาช่วยเอากายมาช่วยนิดนึงดูดูกายยังไงคะหลวพ่อดูเม่อกเอียรอย่างเงี้ยรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกอย่างเงั้ยรู้สนกเล็ก หนูเนะ่ยจริงๆต้องดูกายนะเพรา ะ, ะาว่าพื้นฐานเนี่ยมันรักสวยรักงามแล้วก็ทีนี้พอบางครั้งอ่ะพอดูกายของเขาบางครั้งพอฟังเพลงเป็นตัวไม่ได้พอคือพอฟังเพลงหรืออะไรหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร่างกายมันหัวล็อกขึ้นมาเองมันยิ้มขึ้นมาเองนั่นแหละนั่นแหละตัวเองน ะ, นะคะพอดูเสร็จอ่ะเฮ้ยทำไมกายมันไม่ใช่ตัวเราเลยก็รู้สึกเสียดายอีกนั่นแหละมันร<ๆ>ับไม่ได้ที่หลวพ่อว่าหนูไปดูกายนะมันเหมาะกับหนูมากเลย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 เลบ ล, ER เลอตลอดเลยอะค่ะถ้ามันเบล อ, ลอนะตัวกายร่างกายมันไม่เคยเบลอหรอกคมันจะไม่เคยหรือจะไม่เคยเห็นร่างกายไม่ใช่เราหรือหรือว่าจะไม่เคยเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราหรือว่ากายนี้ไม่ใช่เราเลยะค่ะมันจะเคยเห็นแค่แบบมามีอะไรเข้าไปแค่น<ป>ี้ค่ะเห็นอนิจจังก็พอแล้วในไตรรักแล้วนะเห็นนันเดียวพ็พอ ไม่ต้องเห็นสามอย่างแค่เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปเห็นแค่นี้ก็พอแล้วแต่กลางวันเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยค่ะช่วงทำงานตนกลางวันนะคะแทบจะไม่เห็นอะไรเลยจิตมันไม่ตั้งมออั่น ม, มันต้อ ง, อ ย, งอยู่กับงานสิแต่ถ้าทำงานที่ใช้ร่างกายนะดูได้อย่างบางคนทำงานขวัดถนนอะไรนั่นรู้สึกได้หรือไปล้างรถ รถต้นไม้อาบน้ําให้หมาอะไรเงี้ยรู้สึกได้กวาดบ้านถูบ้านแต่ถ้าทํางานที่คิดเนี่ยทำไม่ได้อย่างงี้หนูต้องไปทําดูกายดูไกลให้เยอะขึ้นกลาวันอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เวลาทํางานก็ทํางานนะะแต่เวลาอื่นเนี่ยคอยรู้สึกในกายหน่อยถ้าดูจิตแล้วมันเบลอเนี่ยดูกายไว้แล้วกลางคืนต้องนั่งสมาธิเพิ่มไหมคะ่ะกลางคืนนหา อะไรมากระดุกดิกก็ได้นะมีพับสักอันก็ขยับไปเรารู้สึกเอา<ฆ>นะแล้วต่อไปพอเรารู้สึกกายชัดเนี่ยมันจะรู้สึกจิตชัดด้วยเนะช่นเรานั่งพัดอยู่เนี่ยถ้ใจเราแวบไปมันจะเห็นง่ายเอากายมาช่วยนิด น, นึงไม่งั้นใจมันจะถลําไปอยู่ในโลกภายในเบลเบลไปแล้วสมมติว่าหนูหนูยังดันท้า อันคือเป็ไม่ชอบเดินจนงกรมไม่ชอบก็นั่งหนูชอบนั่งสมาธิมากกว่าค่ะเอานั่งแต่อย่านั่งหลับตาไม่ได้นั่งหลับตานั่งเริบตาหาพัดไม่อันแดงกระดิกไปขยับขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูกายมาทํางานให้มันมีแรงก่อนเดี๋ยวมันคือจะเห็นจิตคือสนุกขึ้นว่นาหนูไม่มีไม่ไม่มไมค่อยมีจิตตั้งมั่นใช่ไหมใช่จิตไม่ตั้งมั่นพอ กำลังสมาธิน้อยไปครับสมัชฌาการค่ ะ, ะคือฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วแล้วก็ปฏิบัติมาระยะหนึ่งนะคะแต่ดูเหมือนเป็นคนที่ฟุง้งซ่านเก่งออืออดีที่เห็นนะอย่างนี้แสดงว่ามาได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ครยังครึ่งหนึ่งตรงไหนเครึ่อ ง, งตองถึงที่ฟุง้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุง้งซ่านที่สูทั้งหลายจิตฟุง้งซ่านให้รู้ว่าฟุง้งซ่าน ไละครึ่งหนึ่งแล้วถัดจากนั้นก็คือปฏิกิริยาของจิตต่อความฟุ้งซ่านนั้นจิตไม่ชอบจิตไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนี่ได้อีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นปัญหาก็คือเมื่อใจมันฟุ้งซ่านอย่าไปพยายามแก้ให้รูว้ว่าฟุ้งฟุ้งแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะรู้ไปสบายๆอย่างนี้เดี๋ยวมันหายฟุ้งเอง มันมันหลงบ่อยด้วยอ่ะใช่เพมันฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็หลงบ่อยสิมันรู้ตัวตอนตอนเย็นแล้วค่ะโอ้หลงนานไปนะหลงในเช้าไปรู้เย็นเย็นคือพยายามจะนั่งสมาธิทุกชเช้าอพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็พอเดินก็เดินไปทํา ง, งานก็จะรู้สึกพยายารู้สึกตัวแต่สักพักหนึ่งมันก็หลงไปเลยจนจนมันเป็นทางร่างกายก็เป็นไฮเปอร์แอคทีฟอะไมบ้างบางคนเป็นนะเป็นจากสมองนะยังเป็นไฮเปอร์แอคทีฟ ถ้ามันเป็นอย่าง น, น, นั้นก็พยายามรู้สึกร่างกายเยอะขึ้นหน่อยนะแล้วอย่างนี้ควรจะนั่งสมาธิหรือว่ายัางไงนั่งไม่ลงอ่ะมันไม่สงบง่ายๆหรอกอนั่งฐานอะไรทาไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูสบายๆอย่าไปกังวลว่าจะไม่เจริญในธรรมะง่ายๆอย่างนั้นแหละเจริญเร็วเนี่ยแม่ฉีนะแม่ฉีพอนาเก่งนะ ตอนที่หัดภาวนาทีแรกนะนั่งถักเชือกอะ่ะเขาเรียกอะไรอนะ่ะที่มีไม้เรามีเหล็กอันหนึ่งเขามีนะมีไม้สองอันก็มีนะนี่แหละทำไปเรื่อยๆนะถักหมวกถาวายวัดโ น, น้นวัดนี้ไปเรื่อยๆอได้เคลื่อนไหวได้รู้สึกรู้สึกใจใจมันมันจะเป็นไฮเปอร์แอคทีฟไปนิดนึง มมอย่างนั้นแสดงว่าคุณจะทําอะไรแบบ<ช>นบบี้นะเชนไบที่ความรู้สึกตัวมันชัดๆเราใช้ความเคลื่อนไหวในร่างกายแล้วรู้สึกให้ชัดๆหน่อยรู<ม>้สึกรู้สึกงั้นนี่ฝากข อ, ขอกันบ้านได้ไหมคะนี่ไงกันบ้านม <laughs> ่ชอบถักนิตติไม่เอาอย่างอื่นสิหงพ่อก็ถักไม่เป็นเหมือนกันขอบคุณค่ะ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 ที่ศึกษาของสภาวปาชาติทั้งครอบครัวครับวันนี้ผมพาครอบกคกรัวมากราบหลวงพ่อด้วยครับนุโมทนานะโยมพานาใช้ได้แล้วขันเขินแยกโดยที่ไม่ตั้งเจตนาละดูมันทางานไปมันไม่มีเราดูไปดูสบายๆไม่รีบร้อนนะไม่รีบว่าจะได้อะไรได้ไม่ได้ช่างมัน ให้หลวงพ่อผมคยส่งกันบ้านที่หลวงพ่อที่วันหลวงพ่อบอกว่าปัญยาล้มหน้าอืมันนผมก็รอแก้ไขก็ดีนีแหละวันนี้ดีแล้วพอดีผมกขอโมทนากรถูกตองพระภูหลวงพ่อเออนาตุอย่าให้มันล้มหน้าไปนะถ้าล้มหน้าไปใจไม่มีความสุขอ่ะอาเชิญตามธรรสกานและตัวหลวงพ่อแนะนํากันมาถามนะ กรรมฐ า, ามนลวงพ่อเนะ่ยทุวันทุกวันนะกรรมฐานมก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละจะเอากายเป็นเครื่องอยู่หรือจะเอาใจเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ถ้าดูอะไรไม่ออกเลยนะแค่ดูความรู้สึกสุขทุกข์ในใจเราก็พอละพอมีแค่สามอย่างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆหมุนเวียนอยู่ในใจถ้าเห็นได้ทั้งวันก็คือภาวนาดได้ทั้งวันแล้วละะง่ายๆนี่เดีดูไป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 ส่วนในรูปแบบก็ตอนเช้าก็เดินจงกลมสักยี่สิบนาทีก่อนมาทำงานระหว่างวันก็รู้ลมไปรู้กันเคลื่อนไหวไปเย็นก็สมบมันไหวพระเสร็จก็รู้ลมไปสักยี่สิบนาทีนครับการปฏิบัติรอบนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดประกันในอาจารย์เมษนาแก้ไขให้ยหรือว่าถูกแล้วแนะนำว่าทำอย่างไรต่อไปปกติปกติใจเหมือนตอนนี้ัหมใจมีโมหะครอบไหม วันนี้มีฮะวันนี้มีใช้ได้นะวันนี้มีเยอะฮะระหว่างกลางวันมง่วงๆถ้าจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่มีปัญหาปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นอยู่เรื่อยๆครับเป็นเรื่อยๆนะนั่นต้องกระตุกกระดิกไว้ปัญหาหลักๆคืออะไรท่านอาจารย์โมหามันแทรกไปดะงั้นเคลื่อนไหวไว้บางคนพออายุเยอะขึ้นนะต้องออกกายมาช่วย ไม่ั้นมันจะซึมไปเคลื่อนไหวทํางานอะไรก็ได้อาจจะไม่ได้เดินจงกรมนะอาจจะกวาดบ้านแย่งเมียกวาดบ้านอย่างนี้นะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ อ, อีกเรื่องครับอาจารย์ช่วงไหนถ้าพอนานดีๆนะมันจะต้องมีเหตุทั้งโลกให้ให้ทุแบบกข์หนักๆด้วยครับอะไรนะเดียว่าช่วงไหนถ้าพอนาดีๆนะครับมันมักจะมีเหตุแห้งโลกให้ให้เกิดความทุกข์ขึ้นอยู่เลย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 เาจะเติบโตขึ้นแต่ว่ามันจะเหนื่อยในการภาวนาโอดทนเอาวิบากอะใครจะห้ามได้ก็ก็อย่างนี้ต่อไปรู้การเคลื่อนไหวต่อไปให้ขยายามกรุกรดิกนะอย่าให้โมหะมันครอบ<ม>แต่ถ้าโมหะครอบมันมีหลายวิธีนะใช้วิธีนี้ก็ได้เวลา ม, มันมัวเนี่ยใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบดูเข้าไปให้ถึงใจเลยถ้าใจเข้าสึงความเป็นกลางแล้วมันจะขาดสะบั้นเลยโมหะ นะมันมีวิธีเยอะยะเลยแต่ถ้าวิธีนี้ช่วยไม่ไหวก็ใช้ร่างกายช่วยอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ก็หันมาปฏิบัตินะ้วฮะทิ้งเป็นอาแล้ครับก็รู้สภาวะจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันหลังที่กับจิตเราไปรับรู้ตอนหลังที่มันเกิดขึ้นอือันนี้ใจที่ไปรู้เข้าเนี่ยเราก็ไม่ดีดีดีร้ายกับมานก็คือบางครั้งที่ว่าจะยินดีดีร้ายกับมันบ้าง แต่ว่าด้วยใจที่ดูแล้วมันเป็นปกติขึ้นครับอาจารย์จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นครับโดยใช้ได้ตรงนี้ไม่ปกตินะถ้ารู้ทันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกใ้บางคนไปภาวนาแล้วก็แต่งจิตไว้แล้วคงที่อยู่อย่างนั้นทั้งวันที่หลวงพ่อถามคือถ้าจิตปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะ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 และสิ่งที่เกิดดับนะครับเกิดดับเราต้องช่วยพิจรารณาได้ไหมครับช่วยพิจารณาเนี่ยสําหรับคนซึ่งไม่ยอมดูไตรลักนะรู้ตัวอยู่เฉยเฉยไม่ยอมดูใจรักอันนั้นต้องพิจรารณาแต่ถ้ามันเห็นเกิดดับแล้วไม่ต้องพิจารณานะดูของจริงนะที่เขาพิจารณาะเพื่อให้จิตมันหัดดูใจรักษถ้ามันเห็นใตรักแล้วไม่ต้องพิจรารณแล้วเสียเวลาครับส เกี่ับการหลวงพ่อนะครับผมก็ปฏิบัติมาได้หลายปีแล้วครับแต่ทีนี้คือก็มีจุดที่ไม่เข้าใจอยู่จุดหนึ่งก็ครับก็คือว่าคือตอนแรกผมก็ตั้งใจจะปฏิบัติคือเพื่อบรรลุมรผลนะครับก็คือว่าทีนี้จิตมันชอบตลกกลับมาเป็นแบบพุทธภูมิทุกทีเลยครับคือหลายครั้งมากครับติดปัญหาตรงนี้แล้วก็คืออยากจะทราบแนวทางแก้ไขจากหงคงป่อไม่ต้องแก้นะเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา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 ยิ่งจะไปพุทธภูมินม้ำช่งยิ่งพอนาให้เก่งกว่าชาวบ้านเขาก็จะไปเป็นครูเขาภานาให้เต็มที่เลยแล้วถึงเวลาเนี้ยจิตจะเลือกของจิตเอง<ข>อไม่ต้องไปกังวลหรอกทำไปเถอะเพราะว่าจะพุทธภูมิหรือสาวกภูมิก็ทำแบบเดียวกันนี่แหลข <อ S 1> <น>ะขอบคุณมากครับุณจะกล่าวําถวายนะครับทุกท่านก็น้อมจิตถวายร่วมถวายของของกันนะครับถ้าแต่ประสงค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายพระไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสง์ขอพระภิกสุสง์จงรับพระไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และครอบครัวของข้าพเจ้าปราบสิ้นกาลนานเทิญเหยาถามว่าริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวเมวาอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิชิตังพทิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตูสังกปาฉันโทปนรสยาถามณิโชติรสยาถา สพีติโยวิวัตชนตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกฟวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังวทฏาปจายิโนจตารโธรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังหลวงพ่ออนุโมทนากับกบทนะัทันนะทีมงานนิมนต์ประเทศ พวกเราเขามาเยอะนะไม่นึกว่าวันทำงานชหนีงานมาได้เยอะขนาดนี้นะต้องให้คุ้มนะภอวนานะเสียชาติเกิดสู้นะ